3. ทุกและสาเหตุของความทุกข์กายนี้ใจนี้คือสิ่งที่เราสําคัญมั่นหมายว่าคือตัวเราของเราและกายนี้ใจนี้เป็นทั้งตัวทุกข์เพร้อมไม่เที่ยงถูกบีบคั้นและบังคับไม่ได้ทั้งเป็นที่ตั้งของความทุกข์ที่จรมาเป็นคราวๆด้วยดังนั้นตราบใดที่ยังยึดถือกายนี้ใจนี้ไว้เป็นตัวเราของเราตราบนั้นก็เท่ากับยังหยิบฉวยความทุกข์เอาไว้ในใจ ความยึดถือกายใจอันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเอามาเป็นตัวเราของเราเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้อริยศาสตร์เมื่อยึดกายและใจจากธรรมชาติมาเป็นตัวเราของเราแล้วก็เกิดความรักและหวงแหนกายใจและเกิดความอยากจะให้กายใจมีแต่ความสุขถาวรและสามารถบังคับให้เป็นอย่างที่ต้องการได้ซึ่งความต้องการเหล่านี้เป็นไปไม่ได้จริง ที่จริงกายและใจนี้คือตัวทุกข์เพราะมีลักษณะไม่เที่ยงถูกบีบคั้นและไม่อยู่ในอำนาจบังคับความอยากและความดิ้นรนของจิตที่จะให้กายใจเป็นสุขและพ้นทุกนี้แหละคือตัวสมุทยัยทำให้จิตเกิดความทุกข์ซ้าซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิน้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์เพราะสิ่งที่ดิ้นรนใฝหานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จริง กลายเป็นวงจรของความอยากและความทุกข์สืบเนื่องกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าสังสารวัตร